ปัจจัยยี่ก็แหลปัจจัย24พระผู้มีพระภาคตรัสไว้คือเหตุปัจจัยหรือเหตุปัจจัยอรมณปัจจัยอธิปฏิปัจจัยอนันตระปัจจัยสมานันตระปัจจัยสหชาตปัจจัยอัญญมัญญาปัจจัยนิสยปัจจัยอุปนิสยปัจจัย ปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยอาเสวนาปัจจัยกัมมปัจจัยวิปากปัจจัยอาหาระปัจจัยหรืออาหารปัจจัยอินรียปัจจัยชาณะปัจจัยมัคคาปัจจัยสำปยุติปัจจัยวิปยุติปัจจัยอัติปัจจัยนาติปัจจัยวิคตะปัจจัย และอวิคตะปัจจัยแก้เหตุปัจจัยในอุเทศบทเหล่านั้นธรรมะที่ได้ชื่อว่าเหตุปัจจัยเพราะธรรมะนั้นเป็นเหตุด้วยเป็นปัจจัยด้วยคือเป็นปัจจัยโดยเป็นเหตุอธิบายว่าเป็นปัจจัยโดยความเป็นเหตุ ในยะแม้ในอุเทศบทอื่นมีอารมณะปัจจัยเป็นต้นก็ในยะเดียวกันนี้แก้สั์เหตุในบทว่าเหตุปัจจัยนั้นคำว่าเหตุเป็นคำเรียกวัจนะวายวะคืออวัยวะแห่งคำคือถ้อยคำที่ให้รู้ความแต่ละคำ และการณะสิ่งที่ก่อผลมูละสิ่งที่เป็นรากเหงา้าก็วัจนาวาวะเรียกว่าเหตุในทางโลกเช่นในคำว่าปติญญาเหตุตุข้อปติญญาแต่ในทางพระศาสนากาลณะเรียกว่าเหตุเช่นในคำว่าเยธรมมาเหตุตุปภวา ธรรมะทั้งหลายใดมีเหตุคือกาลณะเป็นแดนเกิดมูลละก็เรียกว่าเหตุเช่นในคําว่าตโยกุศละเหตุตูตโยอกุศละเหตุตูเหตุคือมูลแห่งกุศลสามเหตุคือมูลแห่งอกุศลสามมูลนั่นแหละประสงค์เอาว่าเหตุในที่นี้ แก้สับปัจจัยส่วนความต่อไปนี้เป็นความหมายแห่งคำในคำว่าปัจจัยนี้ธรรมะที่เป็นผลอาศัยไปแต่ธรรมะที่เป็นเหตุนั่นหมายความว่าไม่ปฏิเสธธรรมะที่เป็นเหตุนั้นเป็นไปเหตุนี้ธรรมะที่เป็นเหตุนั้นจึงชื่อว่าปัจจัยมีคำอธิบายว่า อันธรรมะที่เป็นผลไปอาศัยคือไม่ปฏิเสธซึ่งธรรมะที่เป็นเหตุใดตั้งอยู่หรือว่าเกิดขึ้นก็ดีธรรมะที่เป็นเหตุนั้นชื่อว่าเป็นปัจจัยแห่งธรรมะที่เป็นผลนั้นแต่เมื่อว่าโดยลักษณะปัจจัยคือความอุดหนุนเป็นลักษณะด้วยว่าธรรมะที่เป็นเหตุใดเป็นสภาพอุดหนุนเพื่อความตั้งอยู่ หรือเพื่อความเกิดขึ้นแห่งธรรมะที่เป็นผลใดธรรมะที่เป็นเหตุนั้นท่านเรียกว่าเป็นปัจจัยแห่งธรรมะที่เป็นผลนั้นคำว่าปัจจัยเหตุกรณะนิธานะสัมภะปะพะวะเป็นต้นโดยความก็อันเดียวกันต่างกันแต่โดยพยัญชนะ ธรรมะชื่อว่าเหตุุหรือเหตุเพราะอัฏะว่าเป็นมูลชื่อว่าปัจจัยเพราะอัฏะว่าเป็นสภาพอุดหนุนดังกล่าวมาชนีเพราะเหตุนั้นเมื่อว่าโดยสังเขปธรรมะผู้อุดหนุนโดยความหมายว่าเป็นมูลชื่อว่าเหตุปัจจัยอธิบายของอาจารย์ทั้งหลายว่าเหตุปัจจัยนั้นเป็นสภาพยังความเป็นกุศลเป็นต้น ให้สำเร็จแก่สัมประยุทธธรรมทั้งหลายมีกุศลธรรมเป็นอาธิดังพืชทั้งหลายมีพืชข้าวสาลีเป็นต้นยังความเป็นธั ญ, ญชาติมีข้าวสาลีเป็นอาธิให้สำเร็จและดังสีของมณีเป็นต้นอย่างแสงของมณีเป็นอาธิให้สำเร็จฉะนั้นก็เมื่อเป็นอย่างนั้นความเป็นเหตุปัจจัย ก็ไม่สำเร็จไปถึงในรูปทั้งหลายที่มีเหตุนั้นเป็นสมุดฐานด้วยนะสิเพราะว่าเหตุปัจจัยนั้นหายังความเป็นกุศลเป็นต้นให้สำเร็จแก่รูปเหล่านั้นไม่แต่ก็ไม่ใช่ไม่เป็นปัจจัยสมพระบาลีว่าเหตุเป็นปัจจัยโดยเป็นเหตุปัจจัยแห่งธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับเหตุและแห่งรูปทั้งหลายที่มีเหตุนั้นเป็นสมุดฐานดังนี้ อันหนึ่งสำหรับอหตุกาจิตทั้งหลายความเป็นอภิญากฤตเว้นเหตุนั่นเสียก็สำเร็จได้เพราะอัพญากฤิตเป็นอหตตกาแม้สำหรับสาเหตุกาจิตทั้งหลายเล่าความเป็นกุศลเป็นต้นก็เนืองด้วยโยนิโสมนาสิการเป็นต้นมิใช่เนืองด้วยสัมปยุทธเหตุคือเหตุผู้สัมปยุทธ และหากว่าความเป็นกุศลเป็นต้นพึงมีโดยสภาวะแท้ในสัมปยุทธเหตุทั้งหลายไซในสัมปยุทธธรรมทั้งหลายอโลภะซึ่งเนื่องด้วยเหตุก็พึงเป็นกุศลบ้างเป็นอภพยากฤิบ้างแต่เพราะเป็นได้ทั้งสองอย่างเหตุนั้นในสัมปยุทธธรรมทั้งหลายหาความเป็นกุศลเป็นต้นที่เนื่องด้วยเหตุมิใช่เป็นโดยสภาวะได้ฉันใดแม้ในเหตุทั้งหลาย ก็พึงหาความเป็นกุศลเป็นต้นที่เนื่องด้วยธรรมะอื่นมิใช่เป็นโดยสภาวะได้ฉันนั้นแต่อันที่จริงเมื่ออัฏฐว่าเป็นมูลแห่งเหตุทั้งหลายบัณฑิตไม่ถือเอาโดยว่าเป็นเหตุยังความเป็นกุศลเป็นต้นให้สำเร็จแต่ถือเอาโดยว่าเป็นเหตุยังความตั้งมั่นด้วยดีแห่งธรรมะทั้งหลายให้สาเร็จ ก็ไม่ผิดอะไรเลยแท้จริงธรรมะทั้งหลายที่ได้เหตุปัจจัยแล้วยอมเป็นธรรมะมั่นคงตั้งลงด้วยดีดังต้นไม้ทั้งหลายที่มีรากงอกงามแล้วก็ตั้งอยู่ได้ด้วยดีฉะนั้นส่วนอเหตุ ก, กะธรรมทั้งหลายเป็นธรรมะไม่ตั้งมั่นด้วยดีดุจสาวรายทั้งหลายมีสารายชนิดติลพีสกะ คือสาหรายมเมล็ดงาเป็นต้นฉะนั้นเหตุปัจจัยเป็นธรรมะอุดหนุนโดยความหมายว่าเป็นมูลดังนี้เพราะเหตุนั้นธรรมะผู้อุดหนุนโดยยังความตั้งมั่นด้วยดีแห่งสัมปยุตธรรให้สำเร็จบัณฑิตพึงทราบว่าชื่อว่าเหตุปัจจัย แกอารมนาปัจจัยในอุเทศบทต่อแต่นั้นไปธรรมะผู้อุดหนุน้วยความเป็นอารมณ์ชื่อว่าอารมณาปัจจัยธรรมะอะไรอะไรจะไม่เป็นอารมณาปัจจัยนั้นไม่มีเพราะคำนิเทศแม้ท่านจะขึ้นต้นว่าปรูปายตนะเป็นปัจจัยโดยเป็นอารมณาปัจจัยแห่งจักขุวิญญาณธาตุ ดังนี้เป็นต้นแต่ก็ลงท้ายว่าธรรมะทั้งหลายใดๆเป็นจิตและเจตสิกธรรมปรารบธรรมะใดๆเกิดขึ้นธรรมะทั้งหลายที่ถูกปรารบนั้นๆย่อมเป็นปัจจัยโดยเป็นอ ร, รมณะปัจจัยแห่งธรรมะที่เกิดขึ้นนั้นๆเช น, น, นี้เปรียบเหมือนคนกำลังน้อยได้ยึดท่อนไม้หรือเชือกนั่นแหละ จึงลุกขึ้นและยืนอยู่ได้ฉันใดจิตและเจตสิกธรรมทั้งหลายก็ฉันนั้นปรารบอารมณมีรูปเป็นต้นเข้านั่นแหละจึงเกิดขึ้นและตั้งอยู่ได้เพราะเหตุนั้นธรรมะทั้งหลายอันเป็นอารมณ์แห่งจิตและเจตสิกทั้งหลายทั้งปวงบันดิตพึงทราบว่าชื่อว่าอารัมมณะปัจจัย แกอธิปฏิปัจจัยธรรมะผู้อุดหนุนโดยความเป็นใหญ่ชื่อว่าอธิปฏิปัจจัยอธิปฏิปัจจัยนั้นมีสองอย่างด้วยอำนาจแห่งสหาชาตธรรมและอารมณ์ในสองอย่างนั้นธรรมะสี่ประการกล่าวคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา ถึงทราบว่าชื่อว่าสหชาตาทิปฏิปจัยหมายถึงเป็นอธิปฏิปัจจัยแห่งสหชาตธรรมโดยพระบาลีว่าชันทาทิปดีเป็นปัจจัยโดยเป็นอธิปฏิปัจจัยแห่งธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตกับชันทะและแห่งรูปทั้งหลายที่มีชันทะนั้นเป็นสมุดฐานดังนี้เป็นต้น แต่ว่าธรรมะทั้งสี่นั้นมิได้เป็นอธิบดีร่วมกันจริงอยู่ในขณะใดจิตทำฉันทะให้เป็นธุระทำฉันทะให้เป็นใหญ่เป็นไปในขณะนั้นก็ฉันทะอย่างเดียวเป็นอธิบดีนอกนี้มิได้เป็นในธรรมะที่เหลืออีกสามก็ในยะนี้ ส่วนอรูปธรรมทั้งหลายทาธรรมะใดให้เป็นที่หนักคือเป็นที่น่วงเป็นไปธรรมะนั้นเป็นอรรมนาทิปดีแห่งอรูปธรรมทั้งหลายนั้นเหตุนั้นท่านจึงกล่าวคำนิเทศไว้ว่าธรรมะทั้งหลายใดๆเป็นจิตลาเจตสิกธรรมทำอารมณ์ธรรมะใดๆให้เป็นที่หนักเกิดขึ้นธรรมะคืออารมณ์ทั้งหลายนั้น न. เป็นปัจจัยโดยเป็นอธิปฏิปัจจัยแห่งธรรมะคือจิตเจตสิกทั้งหลายนั้นๆดังนี้แก้อนันตระปัจจัยสมอนันตระปัจจัยธรรมะผู้อุดหนุนโดยความเป็นธรรมะไม่มีระหว่างขั้นชื่อว่าอนันตระปัจจัย ธรรมะผู้อุดหนุนด้วยความเป็นธรรมะใกล้ที่สุดชื่อว่าสมะนันตระปัจจัยก็แลอาจารย์ทั้งหลายอธิบายปัจจัยคู่นี้ไว้มากประการแต่ความต่อไปนี้เป็นแกนสายในปัจจัยคู่นี้ก็จิตตนิยมทางของจิตเป็นต้นว่ามโนธาตมีในลำดับแห่งจักุวิญญาณ มโนวิญญาณธาตุมีในลำดับแห่งมโนธาตุดังนี้นั้นใดจิตนิยมนั้นย่อมสำเร็จด้วยอำนาจแห่งจิตดวงก่อนๆเท่านั้นหาสำเร็จโดยประการอื่นไม่เหตุใดเพราะเหตุนั้นธรรมะผู้สามารถในอันยังจิตตุบาทที่คู่ควรกันให้เกิดขึ้นในลำดับแห่งตนแห่งตนชื่อว่าอนันตรปัจจัย เพราะฉะนั้นและท่านจึงกล่าวว่าบทว่าอนันตราปัจจัยความว่าจักขูวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุติกับจักขู่วิญญาณธาตุนั้นเป็นปัจจัยโดยเป็นอนันตราปัจจัยแห่งมโนธาตุและแห่งธรรมทั้งหลายอันสัมปยุติกับมโนธาตุนั้นดังนี้เป็นต้นอนันตราปัจจัยอันใด สมะนันตระปัจจัยก็อันนั้นแหละแท้จริงความต่างกันในปัจจัยคู่นี้เป็นเพียงพยัญชนะเท่านั้นดุดความต่างกันเพียงพยัญชนะในสัพบอุ ป, ปัจจยะเติบขึ้นกับสันตติสืบต่อและในสัพบคู่คืออธิวัจนะคำเรียกกับนิรุตติคำกล่าวฉะนั้นแต่ความต่างโดยอัฐะหามไม่ ส่วนมติของอาจารย์ทั้งหลายว่าธรรมะชื่อว่าอนันตระปัจจัยเพราะความเป็นธรรมะไม่มีระหว่างโดยอัตถะคือไม่มีความอื่นขั้นชื่อว่าสมะนันตระปัจจัยเพราะความเป็นธรรมะไม่มีระหว่างโดยการคือไม่มีการขั้นการใ น, นที่นี้สะกดด้วยลอลิงนะครับดังนี้ใดมตินั้นผิดจากพระบาลีว่า เมื่อพระโยคาวจรออกจากนิโรธในวสัญญานาสัญญายตนากุศลย่อมเป็นปัจจัยโดยเป็นสมานันตระปัจจัยแห่งพละสมาบัติดังนี้เป็นต้นในความที่ธรรมะเป็นสมานันตระปัจจัยเพราะความเป็นธรรมะไม่มีระหว่างโดยการนั้นอาจารย์ทั้งหลายกล่าวแม้คำใดว่า ความมีธรรมะนั้นเป็นธรรมะสามารถในอันยังธรรมะทั้งหลายให้ตั้งขึ้นไม่ได้เสื่อมไปแต่เพราะกำลังแห่งภาวนากั้นไว้ธรรมะทั้งหลายที่เป็นสมะณัตระจึงยังเกิดขึ้นไม่ได้ดังนี้แม้คำนั้นก็ยังความไม่มีแห่งความเป็นกาลานันตระคือไม่มีระหว่างโดยการนั่นเองให้สำเร็จคือพิสูจน์ให้เห็นว่า ความเป็นกาลานันตระไม่มีนั่นเองเพราะความเป็นกาลานันตระในธรรมะนั้นไม่มีด้วยกำลังแห่งภาวนาเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายจึงยังคงยืนยันข้อนั้นแหละคือกาลานันตระไม่มีก็ เ, เหตุใดความเป็นกาลานันตระไม่มีเพราะเหตุนั้น ความที่ธรรมะนั้นเป็นสมะนันตราปัจจัยก็ใช้ไม่ได้ด้วยด้วยว่าความเห็นของท่านทั้งหลายว่าธรรมะชื่อว่าเป็นสมนันทราปัจจัยแห่งธรรมะทั้งหลายนั้นเพราะความเป็นธรรมะไม่มีระหว่างโดยการเช่นนั้นนี่เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าทำความยึดมั่นคือความเห็นไปเลยพึงเชื่อถิดว่าความต่างกันในปัจจัยคู่นี้ ก็เพียงแต่โดยพยัญชนะเท่านั้นหาต่างกันโดยอัฏฐะไม่มีต่างกันโดยพยัญชนะอย่างไรต่างกันเท่านี้คือระหว่างแห่งธรรมะเหล่านั้นไม่มีเหตุนั้นธรรมะเหล่านั้นจึงชื่อว่าอนันตระแปลว่าไม่มีระหว่างธรรมะเหล่านั้น ชื่อว่าอนันตระอย่างดีเพราะไม่มีหยุดชะงักเหตุนั้นธรรมะเหล่านั้นจึงชื่อว่าสมะนันตระแปลว่าไม่มีระหว่างอย่างดีแก้สหาชาตปัจจัยธรรมะผู้อุดหนุนโดยความเป็นธรรมะที่เมื่อเกิดขึ้น ก็ยังธรรมะอื่นให้เกิดขึ้นพร้อมกันด้วยชื่อว่าสหชาตปัจจัยดุดประที่เป็นปัจจัยโดยยังแสงสว่างให้เกิดขึ้นพร้อมกันฉะนั้นสหชาตปัจจัยนั้นเป็นหกอย่างด้วยอำนาจแห่งอรูปปัจขันเป็นต้นดังพระบาลีว่าขันศีที่ไม่มีรูปเป็นสหชาตปัจจัยซึ่งกันและกัน มหาภูตะหรือมหาพูดมหาพูดสี่ raine. เป็นปัจจัยโดยเป็นสหชาตปัจจัยซึ่งกันและกันนามและรูปในขณะก้าวลงสู่คันเป็นปัจจัยโดยเป็นสหชาตปัจจัยซึ่งกันและกันจิตและเจตสิกธรรมทั้งหลายเป็นปัจจัยโดยเป็นสหชาตปัจจัยแห่งรูปทั้งห ah ลายที่มีจิตเป็นสมุดฐาน มหาพูดทั้งหลายเป็นปัจจ <audio> <được> ัยโดยเป็นสหชาตปัจจัยแห่งอุปาทายรูปทั้งหลายธรรมะมีรูปทั้งหลายบางเหล่าเป็นปัจจัยโดยเป็นสหชาตปัจจัยแห่งธรรมะที่ไม่มีรูปทั้งหลายในการบางคราวบางครั้งเป็นปัจจัยมิใช่โดยเป็นสหชาตปัจจัยคำหลังคือธรรมะมีรูปนี้ ท่านกล่าวหมายเอาหัตถยะวัตถุอย่างเดียวแกอัญญมัญญะปัจจัยธรรมะผู้อุดหนุนโดยความที่ยัางกันและกันให้เกิดและสนับสนุนซึ่งกันและกันชื่อว่าอัญญมัญญะปัจจัยดุดไม้สามท่อนตั้งพิงกันอยู่ ถากันและการไว้ฉะนั้นอัญญามัญญะปัจจัยนั้นเป็นสามอย่างด้วยอำนาจอารู ป, ปรขันเป็นต้นดังพระบาลีว่าขันสีที่ไม่มีรูปเป็นปัจจัยโดยเป็นอัญญามัญญะปัจจัยมหาพูสีจนถึงนามและรูปในขณะก้าวลงสู่ขันเป็นปัจจัยโดยเป็นอัญญามัญญะปัจจัย แก่นิสยปัจจัยธรรมะผู้อุดหนุนโดยอาการเป็นที่ตั้งและโดยอาการเป็นที่อาศัยชื่อว่านิสยปัจจัยดุดแผ่นดินและแผ่นผ้าเป็นต้นเป็นที่ตั้งและเป็นที่อาศัยแห่งต้นไม้และแห่งจิตกรรมเป็นอาทิฉะนั้นนิสยาปัจจัยนั้น พึงทราบตามนัยยะที่กล่าวในสหาชาตปัจจัยนั่นแหละว่าขันธ์สี่ที่ไม่มีรูปเป็นปัจจัยโดยเป็นนิสยะปัจจัยซึ่งกันและกันดังนี้เป็นต้นเถิดแต่โกธาส่วนที่หกในปัจจัยนี้ท่านจำแนกไว้ดังนี้ว่าจักขายตนะเป็นปัจจัยโดยเป็นนิสยะปัจจัยแห่งจักหุวิญญาณธาตุโดยนัยยะเดียวกัน โสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะจนถึงกายายตนะเป็นปัจจัยโดยเป็นนิสยปัจจัยแห่งกายวิญญาณธาตุและแห่งธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับกายวิญญาณธาตุนั้นมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเป็นไปรูปนั้นเป็นปัจจัยโดยเป็นนิสยปัจจัยแห่งมโนธาตุมโนวิญญาณ มโนวิญญาณธาตุและแห่งธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับมโนวิญญาณธาตุนั้นแก้อุปนิสยปัจจัยส่วนในบทว่าอุปนิสยปัจจัยนี้พึงทราบความหมายแห่งคำนี้ก่อน ธรรมะอันผลแห่งตนอาศัยคือไม่ปฏิเสธโดยที่มีความเป็นไปเนื่องด้วยธรรมะที่เป็นเหตุนั้นเพราะเหตุนั้นธรรมะที่เป็นเหตุนั้นจึงชื่อว่านิสยะซึ่งหมายถึงเป็นที่อันผลแห่งตนอาศัยอุปปาสั์ในบทว่าอุปานิสยะนั้นมีอัตถาว่ายิ่งมีอัตถาว่านักเหมือนอย่างว่า ความคับแค้นใจนักชื่อว่าอุปายาตฉันใดธรรมะเป็นที่อันผลแห่งตนอาศัยยิ่งนักก็ชื่อว่าอุปนิสยะฉันนั้นคำว่าอุปนิสยะนั่นเป็นชื่อแห่งเหตุอันมีกำลังเหตุอันเรียวแรงเพราะเหตุนั้นธรรมะผู้อุดหนุนโดยความเป็นเหตุมีกำลังพึงทราบว่าชื่อว่าอุปนิสยาปัจจัย อุ ป, ปานิสยปัจจัยนั้นเป็นสามอย่างคืออารัมมณูปานิสยาอันันตรูปานิสยะและปะกะตูปนิสยะอารัมมณูปนิสยะในอุปานิส ย, มม ป, ส ย, ป, ป, สยปัจจัยสามนั้นอันดับแรกอารัมมณูปานิสยะท่านจำแนกไว้โดยไม่ทำความต่างกับอารัมมนาทิปดี ความมีอารมณ์เป็นใหญ่เลยโดยในยะว่าการกะบุคคลให้ทานสมาทานศีลทำอุโบสถกรรมแล้วปัจเจเวคขณะถึงกุศ ล, ลกรรมที่กล่าวนั้นโดยทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นที่หนักคือเป็นใหญ่เป็นสำคัญปัจเจเวคขณะองค์ชานโดยทมชานั้นให้เป็นที่หนักพระเศคะบุคคลทั้งหลาย ปัจเจเวคขณะโคตรภูโดยทำโคตรภูนั้นให้เป็นที่หนักปัจเจเวคขณะโวทานความพองแผ่แห่งจิตโดยทำโวทานนั้นให้เป็นที่หนักพระเสขับบุคคลทั้งหลายออกจากมัคคือภวังแล้วปัจเจเวคขณะมัคโดยทำมัคนั้นให้เป็นที่หนักดังนี้เป็นต้นในอารมณ์เหล่านั้น จิตและเจตสิกทั้งหลายทำอารมณ์ใดให้เป็นที่หนักเกิดขึ้นอารมณ์นั้นโดยนิยมก็นับเป็นอารมณ์มีกำลังในบรรดาอารมณ์เหล่านั้นด้วยประการดังกล่าวมานี้ความต่างการแห่งอารมณ์เหล่านั้นพึงทราบดังนี้ว่านับเป็นอารมามนาธิปดีโดยหมายว่าเป็นเพียงอารมณ์ที่พึงทำให้เป็นที่หนัก นับว่าเป็นอารมณมูปนิสยาโดยหมายว่าเป็นอารมณ์ที่เป็นเหตุมีกาลังอานันตรูปนิสยาแม้อานันตรูปนิสย ะ, สยะท่านก็จำแนกไว้โดยไม่ทําความต่างกับอานันตรปัจจัยเหมือนกันโดยในยะว่า ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นกุศลซึ่งเกิดก่อนๆย่อมเป็นปัจจัยโดยเป็นอุปาิสยปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นกุศลซึ่งเกิดหลังๆดังนี้เป็นต้นแต่ในมาติการิเคปความแปลกกันในนิเคปแห่งจิตและเจตสิกที่เป็นอนันตระปัจจัยและอนันตารูปานิสยปัจจัยเหล่านั้นมีอยู่เพราะอนันตระปัจจัยมาโดยนยัว่า จักขวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับจักขวิญญาณธาตุนั้นเป็นปัจจัยโดยเป็นอนันตราปัจจัยแห่งมโนธาตุและแห่งธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตกับมโนธาตุนั้นดังนี้เป็นต้นส่วนอุปนิสยะมาโดยในยะว่าธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลซึ่งเกิดก่อน ยอมเป็นปัจจัยโดยเป็นอุปปนิสยปัจจัยแก่ธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลซึ่งเกิดหลังๆดังนี้เป็นต้นแม้ความแปลกกันในนิเขบนั้นโดยใจความก็ถึงซึ่งความเป็นอันเดียวกันนั่นแหลถึงเป็นอย่างนั้นความแปลกกันก็มีอยู่คือความเป็นอนันตรปัจจัยพึงทราบด้วยความเป็นธรรมะ สามารถในอันยังจิตตุ บ, บาทที่ควรแก่ลำดับของตนของตนให้เป็นไปส่วนความเป็นอนันตรูปานิสยะพึงทราบโดยความที่จิตดวงก่อนเป็นเหตุมีกำลังในอันยังจิตดวงหลังให้เกิดขึ้นเพราะในบรรดาเหตุปัจจยธรรมเป็นต้นจิตแม้จะเว้นธรรมะบางประการก็ยังเกิดขึ้นได้ฉันใดแต่เว้นอนันตรา จ, จิต จิตที่เกิดสืบต่อๆกันเสียจิตดวงหลังๆชื่อว่าจะเกิดขึ้นฉันนั้นหาได้ไม่เพราะเหตุนั้นอนันตรูปนิสยาจึงเป็นปัจจัยมีกําลังด้วยประการดังกล่าวมานี้ความต่างกันแห่งธรรมะสองอย่างนั้นบัณฑิตพึงทราบดังนี้เถิดว่าธรรมะเป็นอนันตระปัจจัยด้วยอำนาจแห่งความสามารถ อย่างจิตอันควรแก่ลำดับของตนของตนให้เกิดขึ้นเป็นอนันตรูปะนิสยะด้วยอำนาจแห่งความเป็นเหตุมีกำลังประกาศตูปนิสยะส่วนประกาศตูปะนิสย ะ, ส ะ, ะ, ะ, สยะพึงทราบดังต่อไปนี้ว่าอุ ป, ปนิสยะที่ทำขึ้นอย่างดีชื่อว่า ปะกะตูปนิสยะปัจจัยธรรมที่บุคคลสร้างขึ้นในสันดานของตนก็ดีปัจจัยภายนอกมีฤดูและโภชนะเป็นต้นที่บุคคลเสพด้วยอำนาจศรัทธาและศีลเป็นต้นก็ดีชื่อว่าปกตะแปลว่าทำขึ้นอย่างดีอีกนัยยะหนึ่งอุปานิสยะโดยปกติคือโดยสภาวะของตนนั่นเอง ชื่อว่าประกาศตูปะนิสยหมายความว่าไม่เจือปนด้วยอารามมนูปานิสยะและอนันตูปานิสยะประเภทโดยอเนกประการแห่งประกาศตูปะนิสยะนั้นพึงทราบโดยนัยยะว่าประกาศตูปะนิสยะคือบุคคลอาศัยยิ่งนักซึ่งศรัทธาแล้วให้ทานสมาทานศีล ทำอุโบสถกรรมอย่างชาญให้เกิดขึ้นยังวิปัสสนาให้เกิดขึ้นอย่างมักให้เกิดขึ้นยังอภิญญาให้เกิดขึ้นอย่างสมาบัตให้เกิดขึ้นอาศัยยิ่งนักซึ่งศีลสุตตะจากะปัญญาแล้วให้ทานสมาทานศีลดยในยะเดียวกันจนถึงยังสมาบัตให้เกิดขึ้น ศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเป็นปัจจัยโดยอุปนิสยาปัจจัยแห่งศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาดังนี้เป็นต้นธรรมะทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นนี้อันบุคคลทำขึ้นอย่างดีโดยเป็นอุปนิสยาโดยความหมายว่าเป็นเหตุมีกำลังด้วยดังกล่าวมาชนนี้เหตุนั้น จึงได้ชื่อว่าประกาศตูปะนิสยะปุเรชาตาปั จ, จัยธรรมะผู้อุดหนุนด้วยความเป็นสภาพเกิดขึ้นก่อนแล้วเป็นไปอยู่ชื่อว่าปุเรชาตาปั จ, จัยปุเรชาตาปั จ, จัยนั้นมีสิบเอ็ดอย่างโดยเป็นวัตถุและอารมณ์ ในปัญจทวารเป็นสิบและหัตยาวัตถุรวมเป็นสิบเอ็ดดังพระบาลีว่าจักขายตนะเป็นปัจจัยโดยเป็นปูเรชาตปัจจัยแห่งจกักขวิญญาณธาตุและแก่ธรรมะทั้งหลายอันสัมปยุตกับจกักขวิญญาณธาตุนั้นและโดยในยะเดียวกันโสตายตนะขานายตนะ ชิวหายตนะจนถึงกายายตนะเป็นปัจจัยโดยเป็นปูเรชาตปัจจัยแห่งกายวิญญาณธาตุและแก่ธรรมะทั้งหลายอันสัมปยุติกับกายวิญญาณธาตุนั้นรูปายตนะเป็นปัจจัยโดยเป็นปูเรชาตปัจจัยแก่จักขวิญญาณธาตนะุและแห่งธรรมทั้งหลายอันสัมปยุติกับจักขวิญญาณธาตนะุนั้น และโดยในยะเดียวกันสัทธายตนะคันทายตนะรัศายตนะและโพัพายตนะเป็นปัจจัยโดยเป็นปุเรชาตปัจจัยแห่งกายวิญญาณธาตุและแก่ธรรมะทั้งหลายอันสัมปยุตกับกายวิญญาณธาตุนั้นรูปายตนะสัทธายตนะคันทายตนะรัศายตนะโพธพายตนะ เป็นปัจจัยโดยเป็นปุเรชาตปัจจัยแก่มโนธาตุมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปได้เป็นไปรูปนั้นคือหัตยวัตถุเป็นปัจจัยโดยเป็นปุเรชาตปัจจัยแห่งมโนธาตุและแห่งธรรมะทั้งหลายอันสัมปะยุกับมโนธาตุนั้นคือในประวัติการไม่เป็นปัจจัย โดยเป็นปุเรชาตปัจจัยในการบางคราวคือในจุติการและปฏิสนธิการปัจฉาชาติปัจจัยอรู ป, ปรธรรมผู้อุดหนุนโดยความเป็นธรรมะคำจุนรู ป, ปรธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนไว้ชื่อว่าปัจฉาชาตาปัจจัย ดังเจตนาคือความหวังในอาหารคำจุนสรีระของลูกแรงทั้งหลายไว้ชะนั้นเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าจิตและเจตสิกธรรมทั้งหลายอันเกิดภายหลังเป็นปัจจัยโดยเป็นปัจฉาชาติปัจจัยแห่งกายนี้ที่เกิดก่อนอเสวณะปัจจัย ธรรมะผู้อุดหนุนโดยความหมายคืออาเสวนะหมายถึงเสพมากคือประพฤติจนคุ้นเพื่อความคล่องแคล่วและมีกำลังแห่งอนันตระธรรมคือธรรมะเป็นลำดับทั้งหลายชื่อว่าอาเสวนะปัจจัยดุดอภิโยก ค, ความประกอบยิ่งคือความภาคเพียนที่เกิดก่อนก่อนในการเรียนคำพีเป็นต้น เพื่อความคล่องแคล่วในการเรียนคำภีตอนหลังๆฉะนั้นอาเซวณะปัจจัยนั้นเป็นสามอย่างด้วยอำนาจแห่งชาวนะที่เป็นกุศลอกุศลและกิริยาดังพระบาลีว่ากุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยโดยเป็นอาเซวณะปัจจัยแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆ อากุศลธรรมทั <promotions> ้งหลายที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยโดยเป็นอเสวณะปัจจัยแห่งอากุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆกิริยาอพยากตะธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยโดยเป็นอเสวณะปัจจัยแห่งกิริยาอพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆกรรมะปัจจัย ธรรมะผู้อุดหนุนโดยความเป็นการกระทาที่ได้แก่จิตตะปะโยคะความประกอบทางจิตคือเจตนาชื่อว่ากรร ม, มปัจจัยกรร ม, มปัจจัยนั้นเป็นสองด้วยอํานาจแห่งกุศลลเจตนาและอกุศลลเจตนาอันเป็นไปในขณะต่างๆและแห่งเจตนาทั้งปวงที่เป็นสหาชาตะ ดังพระบาลีว่ากุศลธรรมและอกุศลธรรมเป็นปัจจัยโดยเป็นกรรมมะปัจจัยแห่งวิบากขันทั้งหลายและแห่งการตัดตารูปคือรูปที่เกิดแต่กรรมทั้งหลายด้วยสหชาตเจตนาเป็นปัจจัยโดยเป็นกรรมมะปัจจัยแห่งธรร ม, มทั้งหลายที่สัมปยุตกับเจตนาและแห่งรูปทั้งหลายที่มีเจตนานั้นเป็นสมุดฐานด้วย วิปากาปัจจัยวิบากธรรมผู้อุดหนุนโดยความเป็นธรรมะสงบคือว่ากรรมทามาเสร็จแล้วหรือว่าละเอียดเพราะรู้ยากไม่มีอุตสาหะคือไม่ต้องพยายามทาอะไรอีกเพื่อความเป็นสภาพสงบไม่มีอุตสาหะคือต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีทางบายเบียงชื่อว่า วิปากกปัจจัยวิบากรรมนั้นย่อมเป็นปัจจัยแห่งรูปทั้งหลายที่มีจิตเป็นสมุทฐานในประวัติการและแห่งกระตัดตารูปทั้งหลายในปฏิสนธิการและแห่งสัมยุต ธ, ธรรมทั้งหลายในการทั้งปวงด้วยดังพระบาลีว่าขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากัพยากฤตโดยปัจจัย โดยเป็นวิปากับปัจจัยแห่งขันสามและแห่งรูปทั้งหลายที่มีจิตเป็นสมุดฐานขันหนึ่งที่เป็นวิบากอพยากฤิเป็นปัจจัยโดยเป็นวิปากับปัจจัยแห่งขันสามและแห่งกระตาตารูปทั้งหลายในปฏิสนธิขณะขันสามเป็นปัจจัยโดยเป็นวิปากกับปัจจัยแห่งขันหนึ่ง ขันสองเป็นปัจจัยโดยเป็นวิปากกัปัจจัยแห่งขันสองและแห่งกระตาตารูปทั้งหลายขันทั้งหลายเป็นปัจจัยโดยเป็นวิปากกัปัจจัยแห่งวัตถุคือหัตถะวัตถุอาหารปัจจัยอาหารสี่ ผู้อุดหนุนโดยความคือเป็นผู้ค้ำจุนรูปและอรูปทั้งหลายไว้ชื่อว่าอาหารปัจจัยดังพระบาลีว่ากาวลิงการาหารเป็นปัจจัยโดยเป็นอาหารปัจจัยแห่งกายนี้อาหารทั้งหลายที่เป็นอรูปคือผัสสะมโนสันเจตนาและวิญญาณเป็นปัจจัยโดยเป็นอาหารปัจจัยแห่งสัมปยุต ธ, ธรรมทั้งหลาย และแห่งรูปทั้งหลายอันมีอรูปอาหารทั้งสามนั้นเป็นสมุดฐานแต่ในปัญหาวาระกล่าวไว้ว่าในปฏิสนธิขณะอาหารทั้งหลายที่เป็นวิบากอพยากฤิตเป็นปัจจัยโดยเป็นวิปากปัจจัยแห่งขันทั้งหลายอันสัมปะยุทธ์กับอาหารนั้นและแห่งการตตารูปทั้งหลายด้วยดังนี้อีกด้วย อินทริยะปัจจัยอินรียี่สิบเว้นอิทธินีและปุริสินีผู้อุดหนุนโดยความเป็นใหญ่ชื่อว่าอินเทริยปัจจัย <c oughs> ก็แลในอินรียี่สิบนั้นอินรีห้ามีจากขุนซีเป็นต้นเป็นปัจจัยแห่งอรูปธรรม ท, ทั้งหลายอย่างเดียวอินรีที่เหลือสิบห้า เป็นปัจจัยทั้งแห่งรูปธรรมและอรูปธรรมดังพระบาลีว่าจากขุนศีเป็นปัจจัยโดยเป็นอินทริยาปัจจัยแห่งจักขุวิญญาณธาตุและแห่งธรรมะทั้งหลายอันสัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุนั้นและโดยในยะเดียวกันโศตินศีขานินรีชิวินรีและสุดท้ายกายินรี เป็นปัจจัยโดยเป็นอินทริยาปัจจัยแห่งกายวิญญาณธาตุและแห่งธรรมะทั้งหลายอันสัมปยุทธ์กับกายวิญญาณธาตุนั้นรูปชีวิตอินทรียเป็นปัจจัยโดยเป็นอินทริยปัจจัยแห่งกตัตารูปทั้งหลายอินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นอรูป14เป็นปัจจัยโดยเป็นอินทริยปัจจัยแห่งสัมปยุทธธรรมทั้งหลาย และแห่งรูปทั้งหลายที่มีอรูปินรีนั้นเป็นสมุดฐานด้วยแต่ในปัญหาวาระกล่าวไว้ว่าในปฏิสนธิขณะอินรีทั้งหลายที่เป็นวิบากอพยากริตเป็นปัจจัยโดยเป็นอินเทอริยาปัจจัยแห่งสัมปยุติขันทั้งหลายและแห่งกระตัดตารูปทั้งหลายดังนี้อีกด้วย ชาณปัจจัยองค์ชาญเจ็ดคือวิตกวิจารปีติเอกคตาโสมนัสโทมนัสและอุเบกขาอันต่างโดยเป็นกุศ ล, ลชาญเป็นต้นทั้งปวงยกเว้นเวทนาสองคือสุขทุกขในทวิปัญจาวิญญาณผู้อุดหนุนโดยความคือเข้าไปเพ่งอารมณ์และลักษณะชื่อว่าชาณปัจจัย ดังพระบาลีว่าอง์ชานทั้งหลายเป็นปัจจัยโดยเป็นชานปั จ, จัยแห่งธรรมะทั้งหลายที่สัมประยุทธ์กับชานและแห่งรูปทั้งหลายที่มีชานนั้นเป็นสมุดฐานด้วยแต่ในปัญหาวาระกล่าวไว้ว่าในปฏิสนธิขณะองชานทั้งหลายอันเป็นวิบากัพยากฤิเป็นปัจจัยโดยเป็นชานปัจจัย แห่งสัมปยุตตะขันทั้งหลายและแห่งกตัตตตารูปทั้งหลายด้วยดังนี้อีกบ้างมรคะปัจจัยองค์มรคสิบสองอันต่างโดยเป็นกุศ ล, ลมรคคือเป็นสัมมัตตะเป็นต้นผู้อุดหนุนโดยความคือออกไปจากสิ่งใดก็แล้วแต่ คือจากผิดหรือชอบก็แล้วแต่มรรคชื่อว่ามรรคาปัจจัยดังพระบาลีว่าองค์มรรคทั้งหลายเป็นปัจจัยโดยเป็นมรรคาปัจจัยแห่งธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับมรรคและแห่งรูปทั้งหลายที่มีมรรคนั้นเป็นสมุดฐานด้วยแต่ในปัญหาวาระกล่าวไว้ว่าในปฏิสนธิขณะ องมากทั้งหลายอันเป็นวิบากอัพยากริตเป็นปัจจัยโดยเป็นมรคปัจจัยแห่งสัมปยุตขันทั้งหลายและแห่งกตัตตตารูปทั้งหลายด้วยดังนี้อีกบ้างแต่ว่าชาะปัจจัยและมรคปัจจัยทั้งสองนี้พึงทราบว่าย่อมไม่มีในทวิปัญจวิญญาณและอเหตุุกาจิตทั้งหลาย สัมปยุตตปัจจัยอรูปธรรมทั้งหลายผู้อุดหนุนโดยความเป็นธรรมะประกอบกันกล่าวคือมีวัตถุเดียวกันมีอารมณ์เดียวกันและเกิดด้วยกันดับด้วยกันชื่อว่าสัมปยุตตปัจจัยดังพระบาลีว่าขันสีที่ไม่มีรูปเป็นปัจจัยโดยเป็นสัมปยุตตปั จ, จัจซึ่งกันและกัน วิปยุตตปัจจัยรูปธรรมทั้งหลายผู้อุดหนุนโดยไม่เข้าถึงคือไม่เกี่ยวกับความเป็นธรรมะมีวัตถุเดียวกันเป็นต้นเป็นวิปยุตตปัตจจัยแห่งอรูปธรรมทั้งหลายแม่อรูปธรรมทั้งหลายเล่าก็เป็นวิปยุตตาปัจจัยแห่งรูปธรรมทั้งหลายเหมือนกัน วิปยุตตปัจจัยนั้นเป็นสามโดยแยกเป็นสหชาตะคือเกิดพร้อมกันปัจฉาชาตะเกิดที่หลังและปุเรชาตะเกิดก่อนสมดังพระบาลีว่ากุศลขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสหชาตะเป็นปัจจัยโดยเป็นวิปยุตตปัจจัยแห่งรูปทั้งหลายที่มีจิตเป็นสมุทฐาน กุศลขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปัจชาชาตะเป็นปัจจัยโดยเป็นวิประยุติปัจจัยแห่งกายนี้ซึ่งเป็นปูเรชาตะแต่ในสหาชาตะวิพังแห่งบทอัพยกฤิกล่าวไว้ว่าในปฏิสนธิขณะขันธ์ทั้งหลายที่เป็นวิบากอัพยากฤตเป็นปัจจัยโดยเป็นวิประยุติปัจจัยแห่งกระตัดตรูปทั้งหลาย ขันทั้งหลายเป็นปัจจัยโดยเป็นวิปยุตตาปัจจัยแห่งหัตยวัตถุหัายวัตถุเป็นปัจจัยโดยเป็นวิปยุตตาปัจจัยแห่งขันทั้งหลายดังนี้บ้างส่วนที่เป็นปูเรชาตะพึงทราบด้วยอำนาจแห่งวัตถุมีจากขุนซีเป็นต้นเท่านั้นดังพระบาลีว่าจากขายตนะที่เป็นปูเรชาตะ เป็นปัจจัยโดยเป็นวิปยุตตปัจจัยแห่งจักูวิญญาณจนถึงกายยัตนะที่เป็นปุเรชาตะเป็นปัจจัยโดยเป็นวิปยุตตปัจจัยแห่งกายวิญญาณหัตถยาวัตถุเป็นปัจจัยโดยเป็นวิปยุตตปัจจัยแห่งขันทั้งหลายที่เป็นวิบากอัยยากฤตที่เป็นกิริยาอภยยากฤตไปยาน วัตถุเป็นปัจจัยโดยเป็นวิประยุติปัจจัยแห่งอากุศสรัขันทั้งหลายอธิปัจจัยธรรมะผู้อุดหนุนโดยความเป็นธรรมะค้ำจุนธรรมะที่เป็นเช่นเดียวกันโดยความที่มีอยู่อันมีลักษณะเป็นปัจจุบันชื่อว่าอธิปัจจัย มาติกาแห่งอธิปัจจัยนั้นท่านวางแหวจ็ดประการด้วยอำนาจแห่งอรูปขันมหาพูดนามรูปจิตเจตสิกมหาพูทธรูปอายตนะและวัตถุดังพระบาลีว่าขันสีที่ไม่มีรูปเป็นปัจจัยโดยเป็นอธิปัจจัยซึ่งกันและกันมหาพูดคือท่าสีเป็นอธิปัจจัยซึ่งกันและกัน นามรูปเป็นอธิปัจจัยซึ่งกันและกันในอกกันติขณะขณะลงสู่คันจิตและเจตสิกธรรมทั้งหลายเป็นอธิปัจจัยแห่งรูปทั้งหลายที่มีจิตเป็นสมุดฐานมหาพูตธ ร, รูปเป็นอธิปัจจัยแห่งอุปาทายรูปจักขายตนาเป็นอธิปัจจัยแห่งจักขวิญญาณธาต และโดยในยยะเดียวกันรูปายตนะจนไปถึงโพธพายาตนะเป็นอธิปัจจัยแห่งกายวิญญาณธาตุและแห่งธรรมทั้งหลายที่สัมปยุติกับกายาวิญญาณธาตุนั้นรูปายตนะโดยเนยยะเดียวกันจนถึงโพธพายาตนะเป็นอธิปจัจจัยแห่งมโนธาตุและแห่งธรรมทั้งหลายที่สัมปยุติกับมโนธาตุนั้น มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปคือหัตยาวัตถุใดเป็นไปรูปนั้นเป็นอธิปัจจัยแห่งมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุและแห่งธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับมโนวิญญาณธาตุนั้นแต่ในปัญหาวาระวางมาติกาเพิ่มไว้อีกคือสหาชาตะปุเรชาตะปัจชาชาติ อาหารและอินทรีย์แล้วทมนิเทศคืออธิบายในสหาชาตะก่อนโดยนัยยะว่าขันหนึ่งเป็นอธิปัจจัยแห่งขันสามและแห่งรูปอันมีขันสามนั้นเป็นสมุดฐานดังนี้เป็นต้นส่วนในปูเรชาตทมนิเทศด้วยอำนาจแห่งอายตนะมีจักษุเป็นต้นซึ่งเป็นปูเรชาตธรรม ในปัจฉาชาตะทำนิเทศด้วยอำนาจแห่งกายนี้อันเป็นปูเรชาตะเป็นปัจัยแห่งจิตและเจตสิกทั้งหลายอันเป็นปัจฉาชาตะในอาหารและอินทรีย์ทำนิเทศชนิดว่ากาวลิงกาลาหารเป็นอธิปัจัยแห่งกายนี้รูปชีวิตตินทรีย์เป็นอธิปัจัย แห่งกระตัดตารูปทั้งหลายดังนี้นัตถิปัจจัยอรูปธรรม ท, ทั้งหลายที่ดับไปเร็วผู้อุดหนุนโดยให้โอกาสเพื่อความเป็นไปแห่งอรูปธรรม ท, ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในลำดับแห่งตนชื่อว่านัตถิปัจจัยดังพระบาลีว่า จิตและเจตสิกธรรมทั้งหลายที่ดับไปเร็วเป็นนัตถิปัจจัยแห่งจิตและเจตสิกธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นปัจจุบันวิคตปั จ, จัจนัตถิปั จ, จยาธรรมเหล่านั้นแหละชื่อว่าวิคตปัจจัยเพราะเป็นธรรมะผู้อุดหนุนโดยความเป็นธรรมะที่ปราศจากไปแล้ว คือไม่มีแล้วดังพระบาลีว่าจิตและเจตสิกธรรมทั้งหลายที่ดับไปเร็วเป็นวิคตะปัจจัยแห่งจิตและเจตสิกธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันอวิคตะปัจจอันหนึ่งอธิปัจญธรรมทั้งหลายนั่นแหละพึงทราบว่า ชื่อว่าอาวิคตาปัจจัยเพราะเป็นธรรมะผู้อุดหนุนด้วยความเป็นธรรมะที่ยังไม่ปราดไปคือยังมีอยู่ก็แลทุกกะนี้คือปัจจัยคู่นี้ตรัส ด, ด้วยเทสนาวิลาชคือความงดงามแห่งเทสนาหรือด้วยอำนาจแห่งเวนยะที่จะพึงฝึกสอนได้ด้วยเทสนาวิธีนี้ เหตุวิปยุตตะทุ ก, กะแม้ตรัสอเหตุกะแล้วก็ยังตรัสอีกฉะนั้นแหล